เ, เจริญตอนทุกท่านนะก็เป็นงานแรกที่หลวงพ่อมาเทศนะหลังสงกรานก็ถือเป็นปีมะโรงคนไทยเรยกปีมะโรงนะเดี๋ยวนี้นิยมเรียกมังกรทองความจริงวันเดือนปีมันก็แค่เครื่องนับเวลาที่ผ่านไปนะแต่ละวันแต่ละวันมีคุณค่าแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเอง งันถ้าเรามีชีวิตที่เรามีสติจริงๆนะแม้จะมีชีวิตอยู่วันเดียวนะก็มีคุณค่ามากกว่าอยู่ร้อยปีนะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แต่ทางโลกเขาก็อนุโลมเอาอนุมอะไรสมมุติบัญญัติเอาวันนี้ขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ก็มีความหวังใหม่ๆหวังว่าปีนี้จะดีกว่าปีก่อนๆอนนะไรนั้นแต่ว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องนึ่งก็ความหวัง มีไว้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีความหวังเลยนี่ถ้าเราพูดเรื่องความสุขนะความสุขเป็นสิ่งซึ่งทุกคนแสวงหาแต่หายากความสุขเรามันสั้นเสมอในขณะที่ความทุกข์นะี่ยาวเกินไปเสมอนี่ความสุขมันสั้นไปเพราะว่าเราพอใจเรารักใคร่เราพอใจในตัวความสุขเนี้ยเราก็อยากให้มันอยู่ตลอดไป ในความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้คนในโลกอยากมีความสุขก็แต่ว่าไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะเกิดความสุขก็ดิ้นรนหาความสุขกันต่างๆนานาบางคนก็คิดว่าถ้ารวยแล้วจะมีความสุขหลวงพ่อมีลูกศิษย์รวยๆก็เยอะนะไม่มีความสุขหรอกเราแค่พออยู่พอกินส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าที่เขารวยมากๆซะอีกพวกรวยมากๆไม่ค่อยมีความสุขชีวิตว้าเวหนักๆเลยนะ ใครมาหาใครจะครบด้วยก็ไม่รู้เขาจริงใจหรือเปล่าอะไรเนะี่ยบางคนก็คิดว่ามีตำแหน่งหน้าที่สูงๆแล้วจะมีความสุขดิ้นรนแย่งเก้าอี้กันไม่เห็นมีคนใหญ่คนโตมีความสุขจริงเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงสภาความมั่นคงเนี่ยทำงานเป็นสตาฟให้นายกรัฐมนตรี เห็นนายกหลายรุ่นหลายหลายคนนายกแต่ละคนที่ขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาใหม่ๆนะผ่องใสสดชื่นนะไม่นานหรอกนะอยู่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวค่อยๆเหี่ยวเหียวเยวอย่างรวดเร็วนะเรายังไม่เหี่ยวเท่าเลยนะเขาไม่ได้มีความสุขจริงเขใหญ่ๆนะไม่ได้มีความสุขจริงรวยๆไม่ได้มีความสุขจริงคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะก็อยู่ชั่วคราวะ ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงตลอดมีเกียรติยศตลอดอย่างพวกดาราพวกนักร้องอะไรนี่นะมีชื่อเสียงนักมวยมีชื่อเสียงอยู่ชั่วคราวทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วนั่นเวลาของความสุขเนี่ยสั้นไม่ไ ม, ไม่นานความสุขของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ไม่เกินสามเดือ น, ใ, นใหญ่ที่สุดละสั้นนิดเดียวหรือบางคนก็คิดว่าถ้ามีแฟนสวยๆมีแฟนหล่อๆแล้วจะมีความสุข มีครอบครัวดีๆจะมีความสุขนะลูกฉลาดจะมีความสุขเลยเนี่ยทุกวันนี้คนก็ไม่ได้มีความสุขกับครอบครัวต่างคนต่างอยู่แต่งงานก็แต่งกันไปงั้นเองเป็นพ่อแม่ลูกก็เป็นไปอย่างนั้นเองแทบไม่ได้เจอกันเลยวันๆหนึ่งเนี่ยแต่ละคนวิ่งหาความสุขกันนะแต่ความสุขมันเหมือนมันหายไปสังคมของเราเมื่อก่อนคนไม่รวยเท่าคนยุคนี้ คนสมัยที่หลวงพ่อเด็กๆได้เห็นเลยคนไม่ได้ร่ำรวยอยู่กันง่ายๆอยู่กับธรรมชาติเยอะเลยในกรุงเทพเนี่ยกลางคืนยังมืดๆเลยแหลวงพ่ออยู่แถววารจักกลก็คือเสาไฟฟ้าแถวนั้นนะมันจะเป็นเสาไม้ด้วยซ้ำไปไฟริบหลีลิบหลีเงียบๆบ้านเมืองผู้คนมีน้อยนะแต่ว่าสังคมอบอุ่ น, นจะมีครอบครัวมีญาติพี่น้องอยู่กันเยอะแยะ ทุกวันนี้คนโดดเดี่ยวเดียวดายผู้คนในสังคมมีมากขึ้นนะคนในบ้านเมืองมีมากขึ้นแต่คนเหงามากขึ้นคนว้าเวยมากขึ้นในความสุขนั้นเป็นของแปลกอย่างหนึ่งว่ายิ่งเราเที่ยวแสวงหานะมันยิ่งหายไปไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่นะคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขมันไม่ดีได้ความสุขมาสักทีหนึ่งได้ก็ได้สั้นๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลุดมือไปแล้วความสุข ไม่เหมือนความทุกข์นะมาแล้วไม่ค่อยยอมไปอยู่นานคนในโลกนี่คิดว่าถ้าสนองความอยากได้จะมีความสุขมีพวกนักจิตวิทยาชอบพูดเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอยากแล้วไม่สมอยากอยากแล้วไม่สมอยากถ้ามีความสามารถมากสนองความอยากได้มากก็จะมีความสุขมากบางคนมองไปทีนี้ไม่ได้มองไปว่ารวยแล้วมีความสุขนะ หล่อแล้วสวยอะไรอย่างนี้มีความสุขมีครอบครัวดีมีความสุขมีชื่อเสียงมีความสุขมีตําแหน่งหน้าที่แล้วมีความสุขนี่เขามองลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งเขามองว่าถ้าถ้ามีเราอยากอะไรแล้วเราได้อย่างที่อยากจะมีความสุขนี่คนก็ดิ้นรนตรงนี้กันเยอะเพราะคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วเรามีความสามารถสูงเราสนองความอยากได้เราจะมีความสุขมากนี่ความอยากเนี่ยลืมไปเรื่องหนึ่งความอยากไม่มีที่สิ้นสุด เราจะมีความสามารถสักขนาดไหนที่จะสนองความอยากได้ทั้งชีวิตมันสนองไม่ได้จริงหรอกรวยร้อยล้านมันก็อยากรวยพันล้านได้พันล้านก็อยากได้หมื่นล้านอะไรเนี้ยมีเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่พอเพราะความอยากเนี้ยมันเพิ่มตลอดเวลางั้นการจะแสแวงหาความสุขด้วยการสนองความอยากนะอย่างที่นักจิตวิทยาบางคนมองเนี่ยมันไม่ได้สนองจริงเพราะว่าความอยากไม่ได้คงที่แต่ความอยากเพิ่มไปตลอดเวลา นี่พระพุทธเจ้าท่านมองอีกอย่างหนึ่งท่านมองว่าถ้าทำลายความอยากได้จะมีความสุขนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดแปลกประหลาดมากเลยเราคิดแต่ว่าสนองความอยากได้แล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ้นความอยากเลยจะมีความสุขตัวนี้คิดใหญ่ก็คิดไม่ออกนะต้องหัดภาวนาเอาต้องลองปฏิบัติ ด, ดูอันนี้หลวงพ่อก็จะมาเล่า ว, วิธีที่เราปฏิบัติทาไงเราจะพ้นจากความอยากได้ ถ้าเราพ้นจากความอยากได้เราจะมีความสุขนะาการจะพ้นจากความอยากได้เนะี่ยไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนนะมีแต่ว่าอย่างศาสนาอื่นเขาบอกนะทำอย่างที่พระเจ้าสั่งอะไรเงี้ยนะพระเจ้าพอใจอะไรเงี้ยชีวิตจะได้มีความสุขชีวิตหลังความตายจะมีความสุขชีวิตปัจจุบันอาจจะไม่สุขนะแต่ชีวิตหลังความตายจะมีความสุขศา ส, ะสะนาพุทธไม่ได้มุ่งตรงนั้นศา ส, ะสะนาพุทธมุ่งปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ต้องพน้นทุกข์ให้ได้ปัจจุบันนี้แหละต้องมีความสุขให้ได้นี่เป็นศาสตร์ที่แปลกประหลาดนะไม่มีที่ไหนเหมือนหรอกคำสอนของท่านน่าอัศจรรย์จริงๆเลยทำไงเราจะทำลายความอยากได้ความอยากเกิดจากอะไรต้องมองเข้าไปให้ลึกซึง้งความอยากเนี่ยมันเกิดจากความไร้เดียงสาของเราเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆ เมื่อเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ตัวเราเป็นสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกเป็นสองส่วนเองเป็นกายกับใจก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกความอยากนานาชนิดในโลกนะรวมลงมาแล้วมันก็มาอยากอยู่แค่นี้เองอย่างอยากมีแฟนสวยๆเนี่ยนะอยากให้จิตใจมีความสุขเห็นไหมแฟนสวยหรือแฟนไม่สวยเนี่ยร่างกายเราไม่ได้สนใจ อยากมีข้าวกินอยากมีของอร่อยกินนี่เป็นความอยากที่ใจต้องการอย่างทางร่างกายต้องการอาหารทางจิตใจต้องการของอร่อยทางร่างกายต้องการพักผอ่อนทางจิตใจขี้เกียจ ข, ขี้คล้านอยากนอนเยอะๆนะเกินความจําเป็นของทางร่างกายความอยากทั้งหลายนะในทางกายในทางใจเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจ พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราความอยากมันจะหายพีเองความอยาบจะค่อยๆลดลดลงไปนะถึงจุดนจะหายไปเลยทีนี้ทายังไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้การจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นว่าตัวเราไม่มีมันเรียนก็คล้ายๆเรามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆ เรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นชิ้นลูกล้อถอดลูกล้อออกมาลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ละนึกออกไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อใช่ตัวถังไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีตัวถังต้องมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์เบาพวงมาลัยอะไรเนี้ยเกียร์ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ การที่เราจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เนี่ยเราจะใช้วิธีเหมือนที่เราถอดรถยนต์เป็นชิ้นชิ้นั่นเองเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นชิ้นบ้างถอดร่างกายออกไปส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ออกไปส่วนหนึ่งที่เรียกว่าส่วนส่วนเนี่ยภาษาบาลีใช้คําว่าขันเคยได้ยินคําว่าขันไหมขัน5้าขันพวกเราเป็นสัตว์ที่มีขันห้าคือเราสามารถแยกตัวเองออกได้5ส่วน ร่างกายส่วนของร่างกายนี่เรียกว่ารูปขันเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมจริงๆร่างกายแยกออกไปได้อีกก็เป็นธาตุถ้าธาตุทางวิทยาศาสตร์ก็มีร้อยกว่าธาตุธาตุในทางธรรมะเนี่ยแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแล้วตั้งอยู่ในสเปซสเปซที่เรียกอากาศธาตุถ้าไม่มีสเปซเนี่ยดินน้ําไฟลมไม่มีที่ตั้งในทางร่างกายนันก็แยกออกไปได้อีกเป็นธาตุ ทางจิตใจก็แยกได้เป็นขันธ์สี่อย่างขันธ์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์เคยเคยได้ยินคําว่าเวทนาไหมคนไทยจะใช้คํานี้แต่ว่าในความหมายอื่นใช้สมเพศเวทนาหน้าเวทนาเลยนะเราไปใช้คํานี้เป็นการยืมศัพท์มาใช้แล้วเคลื่อนไปเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอย่างในร่างกายเรามีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ ในจิตใจเรามีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆความรู้สึกเนี่ยแยกเป็นส่วนหนึ่งได้ความจําแยกเป็นส่วนหนึ่งได้ความจํากับความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนึกออกไหมความจํากับความรู้สึกไม่เหมือนกันความคิดกับความรู้สึกกับความจําก็ไม่เหมือนกันความปรุงของจิตคิดดีคิดร้ายปรุงดีปรุงร้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันความจําเรียกว่าสัญญาขัน นี่พูดให้หมอฟังนะก็เลยพูดยากหน่อยนะพูดง่ายไปเดี๋ยวว่าดูถูกตัวจิตใจที่เป็นตัวรับรู้เาเรียกว่าวิญญาณอคันตัวจิตนี่ทำไงเราจะแยกสิ่งที่ตัวเราออกเป็นส่วนๆได้เราต้องฝึกต้องมีวิธีฝึกศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาหลอกตัวเองแต่เป็นศาสนาที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงนะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงอย่างคนอื่นเขากลัวทุกข์เกลียดทุกข์นะ ศาสนาพูดสอนให้เผชิญหน้ากับทุกทุกเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่หนีไม่ใช่เกลียดไม่ใช่กลัวเนะนี่ยท่านสอนอะไที่กลับข้างกับชาวบ้านไว้เยอะเลยนะแล้วก็อย่างการที่เราจะมาเห็นว่าตัวเราไม่มีเนี่ยไม่ใช่สะกดจิตตัวเองไม่ใช่น้อมใจให้เชื่อไม่ใช่บังคับจิตให้เชื่อไม่ใช่กล่อมให้เชื่อแต่เป็นการที่เรากล้าหาญที่เข้ามาเผชิญกับความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองต้องใช้ความกล้าหาญ ศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้กล้าในทางไปก่อการร้ายที่ไหนหรอกแต่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงนะคําว่าพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราต้องฝึกตัวเองจนเป็นผู้รู้จริงๆนะไม่ใช่ผู้คิดเอาเองผู้กลัวเกรงความจริงถ้นะายังไงเราจะสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นขันได้นะะนี้เป็นศาสตร์ซึ่งที่ไหนก็ไม่มีนะเป็นศาสตร์ที่ไหนก็ไม่มีมีในคําสอนของผู้เทีเจ้านี่เอง ก่อนที่เราจะแยกตัวเองออกมาได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้พร้อมซะ ก, ก่อนจิตที่มีความพร้อมที่จะสามารถแยกกายแยกใจออกเป็นขันท้าได้เนะี่ยเป็นจิตที่ทรงสมาธิอยู่พวกเรารู้จักคำว่าสมาธนะิคิดว่าเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ต่อเนื่องไม่วอกแวกไปนี่เรียกว่ามีสมาธิอะไร่างเงี้ยนั่นะนะสมาธิตื้นเกินไปสมาธินั้นมีสองส่วนสมาธิอย่างที่หนึ่งนะจิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว ส่วนมากที่เราฝึกสมาธิกันหรือในศาสนาอื่นๆเนี่ยจะเป็นสมาธิชนิดที่จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนะช่นเราคิดถึงพระเจ้านะจิตเราไม่หนีไปจากพระเจ้าสงบเวลาคิดถึงพระเจ้าหรือเวลาร้องเพลงเวลาสวดมนต์อะไรเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นเรื่องของความสงบมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่แค่ความสงบแต่เป็นสมาธิที่จิตเนี่ยถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัว พวกเราตั้งแต่เกิดจนตายนะตายแล้วตายอีกนะเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยตอนที่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการญาตยมไปเรียนกรรมฐานหรือพระไปเรียนกรรมฐานด้วยหลวงพ่อจะพูดเสมอเลยว่าในโลกนี้แทบไม่มีคนรู้สึกตัวเลยมีแต่คนที่หลงอยู่ในโลกของความคิดตื่นขึ้นมาเราก็คิดแล้วใช่ไหมคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดไปนนคิดไปอันนี้เราไม่เคยรู้จักคาว่ารู้สึกตัว เราหลงอยู่ในความคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะมาปฏิบัติแยกกายแยกใจได้นะจุดแรกเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงให้ได้ถ้าเราหลงอยู่ในโลกของความคิดเราไม่สามารถจะเห็นความจริงได้คนในโลกนี้หลงอยู่ในความคิดทั้งวันทั้งคืนเลยหาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหายากมากเั้นพระอริยบุคคลเนี่ยถึงเป็นของหายากะฉะนั้นเราต้องหัดให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา การจะฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่บังคับให้เกิดความรู้สึกนะไม่มีใครบังคับจิตใจให้รู้สึกตัวได้แต่มันมีวิธีฝึกนะพวกเราก็เคยฝึกกรรมฐานอะไรบ้างไหมเคยหัดพุโทโธบ้างไหมใครเคยพุโทโธในห้องนี้มีบ้างไหมมีหลายคนใครเคย ร, รู้ลมหายใจมีไหม ย, ยกมือสนะิโอเยอะกว่าพุโทโธอีกนะใครดูท้องพองยุบบ้างมีไหมเออมีใครทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเตียนมีไหม มีไหมไม่ค่อยมีละกรรมฐานอะไรก็ได้ขัน้นต้นที่เราจะฝึกนะฝึกกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่เราฝึกแล้วสบายใจถ้าฝึกแล้วเครียดไม่เอานะเราฝึกให้สบายใจคนไหนพุโทโธแล้วสบายใจหัดพุดโทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วสบายใจหัดรู้ลมหายใจหลวงพ่อตั้งแต่เจ็ดขวบรู้ลมหายใจฝึกอนาปนาสตินะ นี่พวกเราไม่จําเป็นว่าต้องมาฝึกอนาปานาสติเหมือนหลวงพ่ออะไรก็ได้พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แต่มันมีเคล็ดลับส่วนใหญ่ไปพุโทโธแล้วจิตก็ไปสงบอยู่กับพุโทโธอันนี้ได้แต่ความสุขความสงบไปรู้ลมหายใจจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้ได้แต่ความสุขความสงบไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องได้ความสุขความสงบ ยังไม่ใช่ได้ความรู้สึกตัวนะวิธีที่จะฝึกให้ได้ความรู้สึกตัวก็พุโทโธแล้วรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุทโธเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันแต่เดิมเราคิดคำว่าพุทโธอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทพโธนะพอจิตไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลนะหรือเรารู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกไปเถอะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลมหายใจ ถ้าหายใจแล้วเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจนะเป็นการทําความสงบเรียกสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเราจะฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแล้วไปเดินปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นอีกแบบหนึ่งนะหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตลืมลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดละหายใจไปนะจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทัน ใช่อย่างนี้จิตจะตั้งมั่นหลุดออกจากความคิดได้หรือดูท้องพองยุบไปนะแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเรื่อยๆนะตัวนี้แหละจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นคนรู้ขึ้นมาเมื่อไรจิตคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตคิดนะเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยกลับข้างกันตัวนี้สําคัญมากนะ คนรุ่นหลังๆที่ฝึกกรรมฐ า, านกันนะลืมคําว่ารู้ไปนะลืมคําว่ารู้ไปสมัยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านจะย้าเลยว่าคําว่าผู้รู้ผู้รู้นะคือจิตนั่นแหละต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธไปว่าอะไรพุโทโธไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุโทโธก็คือจิตนั่นเองนะนนเราต้องมาฝึกจิตให้หลุดออกจากโลกของความคิดนะพุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทัน อย่างขนาดที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมบางครั้งก็ตั้งใจฟังสังเกตไหมว่าฟังไม่กี่คําสลับกับคิดฟังกับคิดสลับกันตลอดเวลานะดูจากของจริงตอนนี้เลยว่าจริงหรือไม่จริงเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังสลับกับคิดนึกออกหรือยังนะค่อยๆสังเกตนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากเลย หลวงพ่อเทียนเคยพูดนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดเราไม่ได้ห้ามความคิดจิตมันคิดไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตกาลังคิดอยู่จิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ท่านถึงบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดถึงรู้หยุดคิดด้วยการที่เรารู้ทันว่ามันกําลังคิดนี่แหละจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เราลองฝึกดนะูขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังสองสามคำสองสามประโยคสลับกับคิดฟังสลับกับคิดตลอดเวลาเลยหักตัวนี้ให้ไดนะ้ถ้าเราฝึกตัวนี้สําเร็จนะการปฏิบัติที่เหลือจะไม่ยากแล้วยากสุดยอดอยู่ตรงนี้แหละที่เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้เพราะคนทั้งหลายหลงอยู่ในความคิดทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยรู้สึกตัวนะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก สังเกตไหมตอนหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยคิดอุตรุดเลยดูออกไหม <c oughs> เขาไม่ได้ฟังไมไม่ได้ฟังเห็นไ้มคิดได้เลยเห็นคิดในเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องอื่นบ้างให้รู้ทันว่าจิตคิดเราจะได้จิตรู้ขึ้นมาเมื่อได้จิตรู้แล้วต่อไปเรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้ละ ขั้นแรกเลยอย่างเรานั่งอยู่ขณะนี้เรานั่งอยู่ถ้าจิตเราเป็นคนรู้ตัวจิตเรารู้ตัวขึ้นมาแล้วนะร่างกายนั่งอยู่คอยรู้สึกลงที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูฝึอกอย่างนี้นะเห็น <Guess. S 1> ร่างกายหายใ จ, จออกจิตเป็นคนดูเห็น <ky> ร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูถ้าฝึอกอย่างนี้ได้กายก่จิตมันจะแยกออกจากกัน น, นี่เป็นจุดที่แยกจุดแรกเลยที่ง่าย ถ้าเรานั่งให้นานนมันจะเมื่อยพอมันปวดมันเมื่อยนะเราค่อยๆดูลงไปอีกร่างกายอยู่ก่อนแล้วนะร่างกายนั่งอยู่ก่อนแล้วความปวดความเมื่อยมาทีหลังเพราะฉนั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันแล้วมันความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายจิตเป็นคนไปรู้เข้านี่เราจะแยกความปวดความเมื่อยคือตัวเบตนาออกมาได้ละนี่เราแยกได้สามขันแล้วนะทันไหมทันไหม นี่พูดแบบให้หมอฟังนะให้พยาบาลฟังพวกมีการศึกษาสูงๆแล้วเอาใหม่เอาใหม่ขันแรกเลยหันรู้สึกตัวใจหนีไปคิดรู้ทันแต่การจะหัดรู้สึกตัวเนี่ยควรจะมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่เช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบถ้าไม่มีกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เวลาจิตหนีเนี่ยจะหนีไปนานเลยจะหลงนานเลย แ้เ ร, เ, รเราอยู่กับพุทธโธพระจิตลืมพุทธโธเราก็รู้แล้วว่าหลงนะอยู่กับลมหายใจพระจิตลืมลมหายใจเราก็รู้แล้วหลงไปแล้วตรงที่รู้ทันว่าจิตมันหลงไปนั้นแหะจิตรู้จะเกิดขึ้นจะรู้สึกตัวขึ้นเหมือนเป็นชีวิตใหม่นะเหมือนเกิดเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาในสดสดร้อนๆ น, นี้เลยจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในโลกของความฝันทั้งนั้นเลยฝันทั้งที่ลืมตาตืน่นทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจะรู้เลยฝันมาตลอดชีวิตไม่เคยรู้สึกตัวเลย งั้นพอรู้สึกตัวแล้วก็มาฝึกขั้นต่อมาฝึกแยกขันค่อยดูร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินมันนอนนะใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะนี่เขาอัดเทปไว้แล้วก็ลองไปฟังซ้ํานะหลวงพ่อพูดเนี่ยเวลามันจํากัดศาสตร์อันนี้ยาวไม่ใช่น้อยเลยลนะ่ะเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะอย่างเรียนแพทย์ศาสตร์เรียนตั้งนานใช่ไหม ถขกว่าจะจบได้ปริญญาแพทยาาศาต์ศาสนาพุทธก็เป็นาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเหมือนกันมิใช่เรียนหนะ้นาที10นาะทีรู้เรื่องนะอดทนนิดนึงเรียนาศาสตร์อันนี้ยแต่กําไรที่สุดนะเพราะเราจะไม่ทุกข์เรียนแพทย์ก็ทุกขนะ์เนาะถ้าเรียนาศาสนาพุทธได้เราจะพ้นทุกข์เราได้รับความสุขแยากกายไปถ้าเราเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันนะต่อไปพอร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะ ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะมันเป็นวัตถุธาตุหนึงจิตอยู่ต่างหากเพราะฉั้นร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจไม่เดือดร้อนเลยนะถ้าฝึกแยกเป็นจิตใจเราล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูของจริงในใจเราไปเรื่อยะจิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขจิตใจเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยนี่ยหัดดูไป เราจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราดความเฉยเฉก็ชั่วคราวหัดดูไปเรื่อยนะแต่ดูต่อไปอีกกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวอากุศลอย่างความโกรธความโลภความหลงโกรดนิรันดร์มีไหมใครเคยอกหักมั่งถามจริงมีไหมในห้องนี้ยกมือหน่อยสิมีไหมโอ้เยอะนะโอ้ผู้หญิงก็มีหลงพ่อสาธุการเลยว่ากล้าหาันนะ <laughs> อกหักทุกไหมตอนอกหักเหมือนกับโลกจะแตกเลยใช่ไหมโลกเคยสีชมพูใครเป็นโลกมืดมืดเรานึกว่าชีวิตนี้ต้องมืดตลอดเลยแล้วมืดตลอดไหมไม่ตลอดความทุกข์ก็ชั่วคลาวนะความเศร้าโศกเสียใจก็ชั่วคล้าวนะใครนึกถึงความสุขใครเคยมีความสุขมากๆในชีวิตในชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยมันจะเคยมีจุดที่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะบางคนตอนเด็กๆมีความสุขมากๆอะไรย่างเงี้ย บางคนตอนเป็นวัยรุ่นมีความสุขมากอะไรย่สังเกตไหมว่ามันก็ชั่วคราวมันก็ผ่านไปแล้วนี่หัดดูความจริงอย่างนี้หัดดูในใจิตในใจเรานะใ น, ในหัวข้อเขาบอกให้มีสติอะไรนะมีปะ่ะไม่มี <laughs> มีสติอะไรเออสติสร้างสุขอะนะมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะคอยดูความรู้สึกของเราไปนะ สร้างสุขได้นะถ้าทำลายตัณหาได้นี่กำลังพูดถึงวิธีทำลายตัณหาแล้วสติให้เป็นตัวรู้ทันร่างกายหายใจรู้ทันร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ทันจิตใจเป็นสุขรู้ทันจิตใจเป็นทุกรู้ทันจิตใจโลภโกรธหลงรู้ทันใครรู้ทันความรู้สึกนะที่หมุนเวียนอยู่ในจิตใจของเราส่วนร่างกายนะั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอยู่แล้วใครรู้สึกเอาก็ได้ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้มันสอนใจรักเท่ากันสอนความไม่เที่ยง สอนความเป็นทุกข์สอนกันบังคับไม่ไดนะ้ร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็กินอาหาร <S <S เดี๋ยวก็ขับถ่ายหมุนเวียนไปเรื่อยดูความจริงของมันไปจะเห็นจริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอย่างนะี้ร่างกายเราดูไปเรื่อยเราเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูมันจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ย ส่วนจิตใจของเราเราก็มาหัดดูความสุขความทุกข์มันอยู่ส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นในเวลาความสุขเกิดขึ้นมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหัดดูอย่างเนี้ยหัดดูให้มากเลยหรือจิตใจดีจิตใจร้ายจิตใจดีก็อยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวเลยเวลาจิตใจเป็นกุศลนะแต่จิตใจอกุศลเกิดบ่อยรู้สึกไหมคนซึ่งไม่ได้ภาวนานะจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีแต่ถ้าหัดภาวนาจะรู้เลยหาไอ้คนชั่วเท่าเรานี่หายากนะ <laughs> นี่กลับข้างเลยมันไม่ใช่กูดีนะโอ้โหมันจะอะไรสารพัดจะชั่วเลยะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูนะมุนอยู่ในใจอยู่ทั้งวันเลยนี่ยเรามาหัดดูของจริงในใจของเราะเนี่ยมีสติละสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจหัดง่ายๆนี่แหละกรรมฐานกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิให้สงบอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงหลายๆวันนะ นั่นสมถะกรรมฐานไม่พ้นทุกข์จริงไม่เกิดปัญญาสมถะกรรมฐานทําไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความสบายชั่วครั้งชั่วคราวการที่มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่เรียกวิปัสสนากรรมฐานนะตัวเนี้ยที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้จะทํำวิปัสสนาได้จิตต้องเป็นคนดูเห็นร่างกายมันแสดงแต่จิตเป็นคนดูแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูแล้วมันจะรู้ว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา ใครเห็นว่าความสุขเป็นตัวเราบ้างมีไหมความสุขไม่เคยเป็นตัวเราอยู่แล้วใช่แต่เรามีความสุขใช่ความสุขไม่ใช่ตัวเรานะแต่เรามีความสุขเหมือนอย่างล้อรถไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์มีล้อรถความสุขไม่ใช่ตัวเรานะแต่เรามีความสุขนี่เราหัดดูไปทีละส่วนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์หรือความโกรธความโลภความหลงความโกรธไม่ใช่คนใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้าง นะต้องปรึกษาจิตแพทย์แล้วถ้าเห็นความโกรธเป็นคนนะนี่เรามาดูของจริงนะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยดูร่างกายก็เห็นเลยมันเป็นแค่วัตถุดูความสุขความทุกข์นะก็เห็นเป็นแค่สภาวะธรรมความสุขก็มาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความสุขไม่ใช่คนความทุกข์ไม่ใช่คนนะดูกุศลอนะกุศ ล, นะลในใจเราที่เรียกว่าสังขารขันนะกุศลเกิดขึ้นชั่วคราวเช่นศรัทธาศรัทธาชั่วคราวรู้สึกไหม ใครมีศรัทธาตลอดมีไหมไม่มีอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราศรัทธาพอเราไปคิดถึงเรื่องอื่นเราก็หมดศรัทธาเห็นไหมแล้วศรัทธาก็ไม่เที่ยงอกุศลอย่างความโกรธความโลภความหลงก็ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวหมดเนี่ยเรามาดูของจริงนะในกายในใจเนี่ยความสุขความทุกข์ในใจความโลภความโกรธความหลงในใจมีแต่ของชั่วคราวนี่แหละการที่เราคอยรู้ทันนะก็เรียกว่าเรามีสติ เรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีจริงๆไม่มีนะเพราะฉะั้นการที่เราหัดภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อทําลายความเป็นอัตตาตัวตนนะแต่ทําลายความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะอัตตาตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนงั้นสิ่งที่ทําลายไปคือความเห็นผิดการทําลายความเห็นผิดทําลายได้ด้วยวิธีเดียว คือทําให้เกิดความเห็นถูกการทํำวิปัสนากรรมฐานนั้นก็คือการมาเห็นความจริงของกายของใจมันเห็นถูกล้วกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตใจนี้จะมีความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขากุศลอะกุศลไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นคนรับรู้อารมณ์นะก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต้องดูจากของจริงนะพูดโดยทฤษฎีนะ ฟังก็เข้าใจง่ายนะแต่การลงมือปฏิบัตินะทำกันแลมปนะีบางคนทําหลายปีพระุทธเจ้าบอกให้เจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือเป็นสติรู้กายสติรู้ใจตามความเป็นจริง น, นั่นเองท่านบอกว่าทําไปเจเดือนเจปีเจ็ดวัน7ดเดือน7จ็ดนปะีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำเจ็ดปีได้พระอรหันต์บางคนเจปีได้พระนาคาบางคน6ปีเป็นพระอรหันต์บางคนนะเจวัน เป็นผ้าระหันแนละ้วแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะจิตใจของเราดื้อไม่เท่ากันจิตใจที่ดื้อมากๆเซลล์จัดในพวกนี้ภาวนากันนานกว่าใจจะยอมรับความจริงคนไหนที่กูเก่งกูเก่งนะภาวนายากหน่อยนะพวกหมอนี่แหละกูเก่งลนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเหนือคนอื่นนะเหนือคนอื่นแล้เรามาหัดดูของจริงนะวิธีง่ายๆ ถ้าเป็นพวกเราเป็นคนเมืองนะอาชีพหลักเราต้องใช้ความคิดเยอะคนที่ใช้ความคิดมากๆเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับการที่ใช้เจริญสติก็คือการรู้ทันใจของตนเองคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกรู้ทันนะจิตใจโลภโกรธหลงรู้ทันไนะคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันจะเกิด มันจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวถ้าเมื่อไร่เห็นได้อย่างนี้นะมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่ของชั่วคราวพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้จับเราตอนเด็กๆ เ, เป็นเราคนเดียวกันรู้สึกไหมถ้าจเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกมันมีแต่ความรับรู้ที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะ เรามีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันแท้ๆเลยอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณ ะ, ะจะเพราะว่าตัวเราไม่มนะีนี่ฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะฝึกจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะในทางธรรมะเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธก า, าลนั้นคารวะเป็นพระโสดาบันเยอะแยะเลยเพราะการจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะมันเียนเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ถ่องแท้เท่านั้นว่าตัวเราไม่มี ถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีในใกายในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนั่นแหละคือพระโสดาบันนะแล้วมาหัดต่อไปอีกมาดูกายมาดูใจมันทำงานเรื่อยไปนะสุดท้ายมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตใจนี้เป็นตัวทุกขนะ์ถ้าเห็นถึงตัวนี้แล้วมันจะหมดความยึดถือละขั้นพระโสดาบันเนี่ยทลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะขั้นพระอนาคาเนี่ยจะทาลายความยึดถือในกาย พระอรหันต์เนี่ยท่านหมดความยึดถือในจิตนะงนั้นถ้าท่านหมดความยึดถือได้เพราะท่านเห็นความจริงของกายว่าไม่น่ายึดถือท่านหมดความยึดถือจิตได้เพราะท่านเห็นความจริงของจิตว่าไม่น่ายึดถือถ้าเราคอยรู้สึกกายบ่อยๆเราจะรู้ว่ากายไม่น่ารักจริงกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความแปลปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุธาตุนะไม่สวยไม่งามไม่ดีพิเศษอะไรเลย จิตใจก็มีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวิ่งหาความสุขแต่ความสุขอยู่ไม่นานก็หายวิ่งหนีความทุกข์หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเดี๋ยวความทุกข์ก็มานี่ดูความจริงเข้าไปอย่างนี้จะเห็นเลยจิตใจก็ไม่ใช่ของพิเศษที่จะต้องไปหวงแหนมันสุดท้ายไม่จะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจคือไม่ยึดถือในสิ่งซึ่งเคยสําคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเรานะ จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วจิตที่ไม่ยึดถืออะไรเนี่ยจะพ้นจากความอยากมันอยากเพราะว่ามันรักตัวเองถ้ามันเห็นว่าตัวเองก็ไม่น่ารักนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจมันจะอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์มันไม่อยากหรอกมันรู้ความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันก็ไม่มีความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นจากทุกข์มันทุกข์ยังไงมันก็ต้องทุกข์ มันรู้ความจริงแล้วว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวสุขหรอกมันก็หมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขเมื่อทำลายความอยากได้นะเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขซึ่งคนอื่นไม่รู้จักหรอกเราพุทธเจ้าได้ค้นพบความสุขชนิดนี้คนอื่นอย่างมากก็แค่ว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วสนองความอยากได้จะมีความสุขสนองความอยากไม่ได้จะมีความทุกข์ แต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยจะพบมีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นถ้าเห็นความจริงของกายของใจเมื่อไหร่ก็หมดความอยากเมื่อนั้นการที่เราเห็นความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษเรียกว่าการรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะจะละสมุทัยคือละตันหาเมื่อนั้นเป็นอัตโนมัติเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นถ้าจิตปราศจากตันหาเมื่อไหร่นิพพานปรากฏเมื่อนั้น นี่พานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อาานั้นนั้นในขณะจิตซึ่งรู้ทุกเจระสมูทยัยละตันหาแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธขึ้นมาขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริย alors, มรยรคเพรนั้นทุกสมูทัยนิโรธมากเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเลยทําหน้าที่เสร็จในขณะจิตเดียวกันคือรู้ทุกในขณะนั้นก็ละสมูทัยในขณะนั้นแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธในขณะนั้นเกิดอริยมรรคในขณะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์ อันหนึ่งนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งซึ่งท้าให้พิสูจน์ไม่ใช่ชวนให้เชื่อนะขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าไม่ถือศีลห้าจิตจะฟุง้งนซะ่านถ้าสือส่อศีลห้าแล้วมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้หลงไปอยู่แต่ในความคิดพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวได้แล้วนะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มาก ถ้าจะเรียนที่ใจเลยก็ได้นะเพราะพวกเราทํางานที to, yourself, ่ใช้ความคิดมากมกเนี so research, ่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากคือการดูจิตกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคือการดูกายนะเพราะกายมันจะสอนเลยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามจิตเนี่ยจะสอนให้เห็นเลยว่าบังคับมันไม่ได้หรอกอย่างพวกเซลล์จัดนะอยากบังคับคนอื่นตลอดเลยถ้ามาหัดดูจิตดูใจอยู่แล้วจิตเราเรายังบังคับไม่ได้จะไปบังคับใครเขานะมันจะดัดนิสัยได้ดีมากเลย นะเพราะฉั้นพวกเราลองหัดดูจิตใจของตัวเองนะจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหัดดูไปจนเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราวฝึกนะอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจริ์จริงๆเรานะพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องรอว่าตายแล้วพ้นนะพ้นในขณะนี้แหละนะไม่ใช่ต้องรอว่าทําดีไปก่อนแล้วชาติหน้ามีความสุขไอ้นั้นหลอกเด็กแล้ว ถ้าขนาดนี้ยังหาความสุขไม่ได้เลยข้างหน้ า, าไปหาความสุขที่ไหนอีกขนาดนี้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะข้างหน้าจะดีเองข้างหน้ามันอนาคตเป็นผลของปัจจุบันงั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้าโศกอนาคตมันก็เศร้าโศกงั้นจิตที่เศร้าโศกจิตที่เศร้าหมองกนะ็มีทุกคติเป็นที่ไปอย่างจิตของเราถ้ามีแต่ความโกรธโกรธทั้งวันนะเราตกนรกในขนาดนี้แล้วนะตายก็ตกนรกอีก จิเก็เรามีแต่ความโลภอยากทั้งวันเลยโลภทั้งวันเลยนะตายไปเขาตายไปเป็นเ ป, นปลือกอย่างนี้ยังโลภมากเซลล์จัดนะก็เป็นอสุรกายพวกเซลล์จัดนะถ้าใจรอยฟุ้งซ่านมากนะก็เป็นเดรัจฉานบ้านใครเลี้ยงหมาบ้างมีไหมใครบ้านไหนมีสุนัขมีไหมใครเลี้ยงแมวบ้างมีไหมใครเลี้ยงปลาทอง ปลาทองดูยากนะแต่หมาแมวเนี่ยดูง่ายสังเกตไหมเวลาที่ไม่มีใขรไปยุ่งกับมันมันนั่งอยู่ตัวเดียวนะ่ะชอบใจลอยนะภูมิธรรมของพวกใจลอยเดรัชานนะเแ ล, แ ล, แ ล, แลอนาคตน่ะเรากำหนดเองนะเรากำหนดเอาเองเมื่อก่อนหลวพ่อให้ญาติโยมเล่นเกมกันกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะเราตีเป็นช่อง แล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองถ้าโกรธก็ขีดไปช่องโกรธหนึ่งทีถ้าโลภขึ้นมาอยากโน้อนอยากนี่นะขีดช่องโลภหนึ่งทีถ้าใจลอยขีดช่องใจลอยหนึ่งทีแล้วมารวมคะแนนถ้าหากใจลอยบ่อยนะก็พิดิก์ได้ว่ามีแนวโน้มจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าโกรธบ่อยก็มีแนวโน้มจะไปเกิดเป็นสัณนรก เวลาโกรธไม่ไม่สบายใจรู้สึกไหมทุกขนะ์ถ้าโลภเพระมีแนวโน้มเป็นเปรตนะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากมีแนวโน้มเป็นอสุรกายลองเล่นเกมนี้ดูก็ได้แล้วนะเราจะรู้ว่าเรามีแนวโน้มจะไปไหนนะแต่คะแนานรวมคะแนานรวมคือสติคนะแนานรวมคือสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเกมนี้ไม่ตกนรกหรอเพราะทุกคราวที่รู้ว่าจิตโกรธนั่นมีสติ ทุกคราวที่รู้ว่าจิตโลกไม่มีสติทุกคราวที่รู้ว่าใจลอยนั่นแหละสตนะิงั้นยิ่งเรารู้บ่อยๆก็คือสติเกิดบ่อยกุศลเกิดบ่อยคนะแนนรวมของมันนั่นแหละคือสติไปนะลองลองเล่นดูก็ได้เราจะรู้เลยว่าน่ากลัวนะวัตตะเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงมากเลยไปลองทําดูนะลองทําดูไม่ยากหรอกใครรู้ทันใจสุข ก, ก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ไม่ใช่รู้เพื่อ บ, บังคับ ไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาสุขไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาดีไม่ใช่รู้เพื่อปฏิเสธทุกข์ไม่ใช่รู้เพื่อ ป, ปฏิเสธเเความชั่วแต่หันดูจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะฝึกอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงนะเราจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องน้อมใจเชื่อศรัทธาชนิดนี้จะไม่แกว่งเรนะรู้ว่ามีจริงๆรศรัทธาที่พวกเรามีเป็นศรัทธาที่แหว่งไปแหวงมาเชืนะ่อไม่ได้หรอก หมดแล้วลนะขนาดนี้เทศยาวไปหรือเปล่าหลวงพ่อไม่มีนาฬิกาเลยกาไม่จุมีใครมีคำถามไหมคะดีมากเลยไม่มีถามมากก็เพราะคิดมากม่นจะยากอะไรการปฏิบัติใจมีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันใจโลภรู้ทันใจโกรธรู้ทันใจหลงรู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหู่รู้ทันค่อยรู้ไปเรื่อย ผู้ชายคนไหนที่อิจชาบ้างรู้จักอิจฉ้าไหมคนไหนเคยอิจชาบ้างมีไหมทุกคนแหละพวกที่ไม่ยกมือคือผู้ไร้ปากแข็ง <laughs> <laughs> ไม่ใช่ผู้หญิงอิจช้าอย่างเดียวผู้ชายคนไหนเคยกลัวไหมกลัวกลัวเนี้ ย, ยกมือมากกว่าอิจฉาสํารวจมาหลายที่ละไออิจช้ามเสียหน้า <laughs> <laughs> แต่กลัวยังพอรับได้นะ จริงแล้วสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วโกรธเราก็รู้จักโลภเราก็รู้จักนะกลัวเราก็รู้จักดีใจเสียใจเราก็รู้จักสุขทุกเราก็รู้จักการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกขณะนี้ความรู้สึกเป็นไงก็อคอยรู้บ่อยๆแล้วจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนะชั่วคราวนะแค่นั้นเองถึงวันหนึ่งปัญญาเกิดนะเนีย่ยได้ธรรมะขึ้นมาความทุกข์จะตกหายไปชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะ คนที่เรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อเนี่ยเขามาส่งกันบ้านเนี่ยเยอะแยะเลยคนที่เรียนกับหลวงพ่อ น, นับจํานวนไม่ถ้วนตอนเนี้ยเขาบอกชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะทันทีที่สติเกิดความทุกข์ก็กระเด็นออกจากใจแล้วเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากเกิดได้ตอนที่หลงตอนที่เผลอถ้ามีสติอยู่ความทุกข์ทางใจกระเด็นออกไปต่อหน้าต่อตาเลย พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆก็แล้วกันอลักไปละไม่มีคนถามมีจนได้เหรออภาพมาเคยทําเหมือนกันนะคะไอ้ที่มีสติรู้สึกตัวเนี่ยนะคะทีนี้เวลาเราทํางานใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการคิดวางกันทีนี้เวลาคิดวางแผนเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่ามันคิดอยู่เนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้เือมันหมายความว่าคิดต่อได้ไหมคะหรือว่ามันรู้สึกว่า ตอนนี้เอาเลือกเอาจิตเนี่ยไปคิดถึงการวางแผนงานต่อไปต้องแยกกันนะนเวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยสติจดจ่อรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจปัญญาคน้นกว่าพิจาร์ ก, กายใจเวลาทำงานสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานคนละงานกันเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัตินะเขาจ้างมาทางาน <c oughs> <laughs> เวลาที่มีอยู่สองเวลานะ ที่เจริญสติไม่ได้คือ1เวลาหลับข้อ2เวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิดแต่ถ้าเรามีม็อบอันหนึ่งถูพื้นเนี่ยนะเจริญสติได้ตลอดเลยแต่ถ้าทํางานที่คิดเนี่ยเจริญสติไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญาต้องไปจ่ออยู่ที่งานต้องแยกกันนะแต่ว่าที่ว่าทํางานน่ะจริงๆแล้วแอบเป็นหนีงานบ่อยมากนะเวลาที่พวกเราว่าเราทํางานทํางานน่ะใจเราหนีงานบ่อยนะแวบไปที่โน้นแวบไปที่เนี่ตรงนี้แหละคอรัปชั่น ให้คอยรู้ทันมีเวลาจริงๆแล้วมีเวลาปฏิบัติเยอะเลยอย่างเราจะรอคนไข้ใช่ไหมเห็นคนไข้มาเนี่ยใจเรารู้สึกไงคนไข้คนนี้หน้าตาน่ารักเนี่ยพอใจคนไข้คนนี้หน้าตาไม่ดีนิสัยก็ไม่ดีเห็นแล้วเกลียดรู้ว่าเกลียดนี่ปฏิบัติแล้วแต่เวลาอย่างเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นียอย่ามานั่งดูจิตนะดูใครดูจิตไม่ได้เขียนไม่ได้ เวลานั้นเป็นเวลาที่ต้องคิดคิดกับรู้เนี่ยกลับข้างกันขนาดใดที่จําเป็นต้องคิดขนาะนั้นรู้ไม่ได้หรอกนะแยกกันซะกรรมนิวสการครั บ, รบในกรณีอย่าง อ, อาตาปีสัมปชัชโนส ต, ติมาเนี่ยครับ อ, อันนี้เนี่ยมันจะเพียงเผากิเลสยังไงครับถ้าเกิดเรารู้เฉยๆยครับแคนแรกก็มีกายเยกายานุปัสสีวิหรติมีวิหารธรรมก่อน เอากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดเรียนกายบางอย่างอย่างเราเห็นแค่ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่ากายในกายมันเป็นสับเฉพาะนะกายในกายก็คือเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจกายที่เราเรียนแล้วนะสุ่มตัวอย่างมาเรียนถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจทั้งหมดนี่จุดหนึ่ง เวทนาในเวทนาเราเรียนเวทนาบางอย่างเช่นเราคอยดูความสุขในใจเราก็ได้เห็นความสุขมาแล้วความสุขก็ไปนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเรียนอยู่แค่นี้ก็พอละไม่ต้องเรียนเวทนาทุกอย่างแต่ถ้าเรียนอยู่แค่นี้พอเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเรียนกุศลนกุศลเราไม่ต้องเรียนจิต ท, ทุกชนิดจิตมีตั้งหลายชนิดนะแปดสิบเก้าอย่างแต่พวกเราไม่มีจิตบางอย่างโลกุตระจิตไม่มีมีแต่จิตธรรมดาเราไม่ต้องเรียนจิตทุกชนิด คนไหนขี้โมโหเอาจิตขี้โมโหรู้อะไรเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธนี่เรียกว่ามีวิหารธรรมนะมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตอะไรนี้เป็นวิหารธรรมอาสาปีเป็นการแผดเผากิเลสนะแผดเผากิเลสหมายถึงว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสนองกิเลสนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติก็อยากได้ผลละ ทําไปเพราะอยากอ่ะไอ้นั้นไม่ได้เผากิเลสนะแต่ทําไปเพื่อสนองกิเลสนะมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเราทําได้นะมีเครื่องอยู่ของอันใดอันหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่ประจําของจิตนะมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจปัญญาจะเกิดขึ้น คือจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เห็นความจริงได้นี่แหละจะล้างกิเลสได้นะมีพุทธภาษิตอันหนึ่งเลยท่านสอนไว้นะบอกว่าถ้าบุคคลมีปัญญาเนี่ยนะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายนะก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในทุกขสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจนะบอกว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารจะเกิดความเบื่อหน่ายในทุกข นี่แหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นะถ้าเรามีปัญญาเห็นความเป็นทุกข์ทุกขังนะของสังขารเราจะเบื่อเบื่อในกองทุกขเบื่อในกายในใจนี่นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นะถ้าเรามีปัญญาเห็นความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายเราจะเบื่อในกองทุกขนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์การที่เราเห็นความจริงของกายของใจนี่แหละเพราะเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อใน กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของหน้าเพลิดเพลินเลยแต่ว่าเป็นกล่องทุกข์เมื่อเห็นมากๆมันจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือออกเ น, นี่ยเส้นทางที่ท่านเดินกันท่านเดินกันอย่างนี้เดินด้วยการเห็นความจริงของกายของใจใจิตจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจออกตัวกายกับใจนั่นแหละในขั้นสุดท้ายนะมันคือตัวทุกข์ที่แท้จริง งั้นเมื่อไหร่จิตสลัดกายสลัดใจทิ้งไปไม่ยึดในกายในใจก็คือสลัดออกจากโลกสลัดออกจากทุกขสลัดออกจากขันทั้งสิ้นเลยจิตกับขันแยกออกจากการจิตกับทุกพลากออกจากกันเรียกว่าพ้นทุกถึงวันหนึ่งที่ร่างกายนี้แตกสลายเรียกว่าดับทุกข์ขนานานะมีสองสเต็ปพระอราหันเนี่ยท่านพ้นทุกคือท่านไม่ยึดในกายในใจแล้วกายกับใจเป็นตัวทุกท่านไม่ยึดกายยึดใจเรื่องท่านพ้นทุก ราหันปรินิพานขันแตกขันดับกายใจดับไปนะท่านท่านดับทุกนะงั้นมันมีสองขั้นมรการนะ เ, เวลาเราดูจิตเนี่ยเราจะมารวมลงกับปฏิจจสมุปบาทยังไงดีครับจะเห็นปฏิจจสมุปบาทแหละนะจริงๆแล้วจะดูกายก็เห็นปฏิจจสมุปบาทนะจะดูเวทนาก็ต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทสุดท้ายมันจะมาลงที่การเห็นอริยสัจหรเห็นปฏิจจสมุปบาทนะั่นเอง ยิ่งเราดูจิตเนี่ยจะเห็นปฏิจจสมบัติง่ายที่สุดเลยโดยเฉพาะท่อนหลังเราจะเห็นเลยว่าเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งมันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมานะความสุขเกิดขึ้นเนะี่ยราคะความยินดีพอใจจะแทรกความทุกข์เกิดขึ้นนะความไม่พอใจคือโธสะจะแทรกนะเนี่ยกิเลสจะแทรกตามเวทนามานะ พอมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันจะผลักดันจิตให้เกิดความอยากอยากไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเองเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปอยากให้ความสุขกลับมาความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้มันดับเร็วๆความทุกข์ยังไม่มาก็กังวลกลัวมันจะมามันจะมีความอยากเกิดขึ้นความอยากนี่แหละจะผลักดันให้จิตดิ้นรนตรงที่จิตดิ้นรนนั่นแหละเรียกว่าภพ ต้องดูเอานะหัดดูสักพักหนึ่งจะเห็นปฏิจจสมบุบัติจะรู้เลยว่าเราในแหละไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมาเองปฏิจจสมบาทไม่ใช่ธรรมะที่เอาไว้พูดเล่นผู้ใดเห็นปฏิจจสมุบาทผู้นั้นเห็นธรรมงั้นไม่ใช่โสดาบันไม่เห็นจริงหรอกแล้วพระโสดาบันยังไม่แจ้งปฏิจจสมบาทเลยถ้าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์แลไม่แจ้งปฏิจจสมบตัตไม่ใช่พระละหันไม่แจ้งปฏิจจสมบตัต พระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคานะยังล้างอาวิชชาไม่ได้นะต้นต่อของปฏิจจสมุทัยยังอยู่อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในทุกข์ในสมุทยัยในนิโรธในมรรคไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้อดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนะงั้นต้องภาวนานะหลวงพ่อสนใจขึ้นมาตอนไปบวชวัณชนประทานมีอ่านหนังสือท่านเจ้าคุณ หลวงพ่อปัญญาท่านบวชให้ท่านเอานังสือท่านอาจารย์พุทธทาสให้อ่านในนั้นอ่านเจอเลยท่านบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเราก็ว่าธรรมนี้สําคัญนะสึกออกมาเนี่ยเที่ยวหาหนังสือปฏิจจสมุปบาทอ่านพออ่านปฏิจจสมุปบาทแล้วนึกไม่ออกเลยว่าจะปฏิบัติได้ไงสิบสองขั้นตอนเนี่ยจะปฏิบัติได้ไงนะ ลงมือปฏิบัติไปนะ ถ, ถึงรู้ว่ามันรู้ได้ด้วยการปฏิบัตินะถ้าโดยการคิดเอานี่คิดให้หัวแตกก็คิดไม่ออกอวิชาเป็นปัจจัยของสังขารเนะอวิชาประกอบด้วยสภาวะแปดอย่างสังขารมีสามชนิดก็จะนับแต่ตัวเลขอย่างเงี้ยแต่ท่องท่องไว้นะมันลิงก์กันได้ไงมันโยงกันได้ไงไม่รู้หรอกไม่เห็นหรอกสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเป็นได้ยังไงไม่เห็นหรอกนะได้แต่ท่องเอาไว้เท่านั้นเอง ดนต้องภาวนานะนี่จะเข้าใจได้ไม่มีวิธีอื่นเลยที่เราจะเห็นปฏิจจสุบัติได้นอกจากลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำสมถะก็ไม่เห็นมรดการค่ะหลวงพ่ อ, อปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะสิ่งที่หนูพบกับตัวเองเวลาทำงานนะคะก็จะเผลอบางครั้งไม่ทราบ ว, ว่าปฏิบัติมากไปหรือเปล่าเพียนเยอะเกินหรือเปล่าอ่ะคือ เปป็นยัังงไงฏิบิบตมากเวลาฟังทํางานอยู่อะคะ่ะคุยพูดเงี้ยคะ่ะบางทีแค่เป็นแค่ยินหนอไปอะคะ่ะมันเป็นแค่เสียงผ่านเข้ามาแล้วมันไม่เข้าสมองอะคะ่ะไม่ได้นะทําผิดหน้าที่แล้ว <c oughs> อย่างคนไข้พูดด้วยแล้วไม่เข้าสมองคนไข้าตายเลยเนอะไม่ได้การกําหนดอย่างนั้นเป็นสมถะกรรมฐานการบังคับจิตให้นิ่งนะไม่ใช่วิปัสนามันนะเป็นเบื่อคะ่ะหลวงพ่อ นั่นแหละมันเซ็งไปเลย<ะ>แล้วความเบื่อครอบงําจิตแล้วหนูจะดูยังไงอ่ะพยายามรู้สึกตัวอย่า ก, กําหนดกําหนดเนี่ย<ะ>คือเราชอบไปแปลว่ากําหนดนะเราชอบคิดคําเนี้ยจริงมันคือคําว่ารู้เราชอบไปแปลว่ากําหนดรู้เราไปอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษใช้คําว่า know โดยตรงเลยนะใช้คําว่ารู้อ่ะเราชอบไปใช้คําว่ากําหนดรู้ะภาษาไทยอ่ไปแปลแล้วเกนินที่จริงให้รู้เอา มิปัสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่ากําหนดมิปัสนามานจะคําว่าวิคําว่าปัสนะปัสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่กําหนดนะกําหนดนี่เป็นภาษาเขมรมาจากคาว่ากฎคําแฝงเห็นไหมกดเอาไว้ข่มเอาไว้ไม่ใช่การเจริญมิปัสนาเมื่อหกปีที่แล้ว ไปกราบตรงพ่อค่ะตรงพ่อให้ดูเผลอใช่่ไหมแล้วก็เลยเห็นเผลอทั้งวี่ทั้งวันเอออย่าเผลอนอนนะเผลอนอนเพราะเผลอกําลังสองแต่เห็นเห็นเผลออยู่เรื่อยๆย่าใช่ไหมค่ะพอเห็นเผลอเห็นคิดมันกลับไปกลับมาตลอดเวลาเห็นไหมจิตมันคิดได้เองจิตมันเผลอได้เองเ้าสอนอนัตตาแล้วนะเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็รู้จิตเดี๋ยวก็คิด รู้ก็อยู่แป๊บเดียวก็หนีพิคิดอีกแล้วเห็นแม่เขาไม่เที่ยง <Okay. S 1> นี่เราดูกันตรงนี้ต่หางนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้หลงนะไม่ให้ฝึกเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นทางผ่านเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นคนในโลกเนี่ยเผลอตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยชีวิตจะขาดเป็นท่อนๆชีวิตตะกี้เผลอชีวิตตอนนี้รู้สึก เดีเ๋ยวก็เผยอีกแล้วก็รู้สึกอีกชีวิตจะขาดเป็นช่วงช่วงช่วงเรียกว่ามันเริ่มขาดเป็นท่อนๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งเดียวรวดนะการทํำวิปัสสนานี่จะเห็นนะไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งเดียวรวดเพะงั้นเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อตัดความชีวิตที่หลงให้ขาดเป็นช่วงช่วงเท่านั้นเองเพื่อจะได้เห็นว่าตอนที่หลงก็ไม่เที่ยงตอนที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงตอนที่หลงนะก็ไม่ได้จ้างให้หลงเลยนะมันหลงเอง ตอที่รู้สึกตัวนะสั่งให้รู้สึกมันก็ไม่รู้สึกนะมีแต่ของบังคับไม่ได้กานที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอันหนึ่งแล้วไม่เอาอีกอันหนึ่งไม่ใช่เพื่อจะเอารู้แล้วปฏิเสธหลงนะนี่หนูฟุ้งบ่อยอจ้คะค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเขว่าองนั <laughs> ้นนี่เวลาพอรู้ว่าพอรู้ว่าเป็นคนฟุ้งบ่อยหนูใช้<ม>วิธีเ อ, อฟังเทศ<ม>แทนนะคะนี่ไหน<ม>จะฟุ้งแล้วก็ฟุ้งในธรรมไปแทนจ้ะ อคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านดนะูหรือไม่ก็ทาให้กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าเคยชินนะดูท้องพ่องยุบแต่ไม่ให้จิตไหลไปที่ท้องดูท้องพ่องยุบแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่รู้ทันท้องนะลองกลับข้างนิดหนึ่งการที่เราคอยรู้ทันจิตเนี่ยมันอยู่ในบทเรียนที่เรียกว่าจิตศิกขา เคยได้ยินไหมไตรสิกขาศีลสิกขาจิตตส <im> ิกขานี่คือบทเรียนที่สองนะพวกเราละเลยอย่างเราจะไปดูพองยุบเนี่ยเราจะไปเจริญปัญญาสิกขาเลยยังไม่ได้ผ่านบทเรียนจิตตสิกขาเพ้จิตเราไม่ได้เป็นคนดูเวลาเราไปดูท้องพองยุบเนี่ยจิตจะไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องเป็นนิ่งอยู่งั้นนั่นสมถะนะเพราะฉะนั้นเอาใหม่ดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้ ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนั่นจิตรู้จะเกิดขึ้นจะได้สมาธิขึ้นมาจิตที่ทรงสมาธิขึ้นมาอย่างนี้แหละถึงจะเดินปัญญาได้จริงมันจะเดินปัญญายัางไงพอมันมีความรู้ตัวเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นเลยร่างกายที่พองที่ยุบเป็นของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะเห็นเลยจะเห็นความเป็นไรักเห็นไหมร่างกายเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบจิตเป็นคนดู ร่างกายที่พองนะก็ทนอยู่ไม่ได้นานก็ต้องยุบร่างกายที่ยุบทนอยู่ไม่นานก็ต้องพองนี่มันเป็นทุกข์ร่างกายจะพองร่างกายจะยุบร่างกายก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาะเนี่ยถ้าจิตมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้แต่ถ้าเรากําหนดลงไปนะกําหนดอยู่ที่ท้องจิตเราก็ไปนิ่งอยู่ที่ท้องเท่านั้นแหละถ้าวานันใดไม่กําหนดได้แค่ขีาา้โมโห อารมณ์จะแรงนะเพราะจิตที่ติดสมถะเนี่ยพอหลุดออกจากสมาธิจอขี้โมโหมันกระทบอารมณ์นี้เดี๋ยวก็เป็นฝืนเป็นไฟเลยต้องค่อยฝึกเอาพระอาจารย์เคยดูคนไข้แล้วก็เจริญทั้งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สมถาร่วมด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าทําไปทาไปปุ๊บมาตัวลมันหายไป ตัวหายไปสแล้วก็ลองเดินเข้าห้องหนาวล้วไปดูตรงที่กระจกมันมันตัวอะไรไม่รู้นั่นแหละจะใช่เราก็ไม่ใช่จะะถ้าถ้าเห็นอย่างนั้นก็ดีนะมันเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่คําว่าตัวหายเนี่ยต้องดูกันหายแบบไหนเพราะว่านั้นรู้สึกว่าตัวกูหายไปแล้วมันเกิดความกลัวขึ้นมาเป็นธรรมดานะแล้วจะทยังไงต่อคะให้รู้ทันว่ากลัวความกลัวก็จะดับไปแล้วก็รู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆนะแต่ไปจะเห็นอย่างนี้ทั้งวันเลย ไม่มีเราหรอกมีแต่วัตถุที่เคลื่อนที่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไปเคลื่อนมาเท่านั้นเองไม่ใช่คนเลยนะแต่ถ้าถ้าจิตกลัวให้รู้ทันว่าจิตกลัวนะความกลัวมันจะดับไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นกาทํางานไปเรื่อยไม่ใช่เรานะแล้วก็ดูจิตใจไปจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจกลัวรู้ทันนะก็จะเห็นว่าความกลัวเกิดแล้วก็ดับจนะหเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยแล้วสภาวะที่แบบ เราวิปัสสนากรรมฐานด้วยแล้วก็ทำงานบ้านไปด้วยค่ะพระอาจารย์ได้ทำแล้วจุดนั้น จ, จ, จ, จุดจิตมันวิ่งเองแต่เราเห็น<ม>ว่ามันมันวิ่งวิ่งไปแล้วเกิดเหมือนเหมือนเราจะตัวเราจะหงายแบบ<ม>กลัวขึ้นมาเราวให้รู้ไปมันแค่อาการเท่านั้นเองของคุณมันทำไม่น่นมากไปนิดหนึ่งกำหนดมากไปมันเพ่งไปการที่เราเพ่งมากๆากนะมันเกิดอาการแบบนั้นแหละอาการนานาชนิดเลย แต่การทำวิปัสนาจะไม่เกิดอาการแปลกๆหรอกส่วนใหญ่เป็นอาการของการทำสมถะเพ่งแรงไปขนาดนี้ก็เพ่งไหมนั่นแหะแต่ว่ารู้สึกว่ามันใจมันแน่นเออนะถ้าเมื่อไรพอรู้ตัวแล้วมันก็กระจายไปต้องปล่อยออกไปแน่นอยู่ใช้ไม่ได้หรอกแน่นเป็นทุกข์นะเป็นวิบากมีกิเลสมีกรรมมีวิบากกิเลสก็คืออยากดี เกิดการกระทํากรรมว่าบังคับตัวเองกลัวจะหลงไปกลัวจะฟุ้งก็กดเอาไว้เนี่ยคือการกระทํากรรมเกิดวิบากแน่นเป็นทุกข์นี่แหละวัตตะของหนูเวลาปล่อยก็ใช้ได้แล้วละปล่อยไปแล้วเห็นมันทํางานไปอ่ะมีเวลาอีกห้านาทีเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปอีกสองที่กับมาสักการหลวงพ่อครับคือ ผมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีการปฏิบัติให้ผมด้วยที่หลวงพ่อเทศน์มาก็ฟังรู้เรื่องอยู่แล้วนี่นก็ไปทําเอาสิแต่จิตต้องถึงฐานนะจิตขนาดนี้ถึงฐานหรือเปล่าหรือจิตกระจายออกข้างนอกขนาดเนี้ยความรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนรู้สึกไหมกว้างๆออกไปไหมรู้สึกครับอ๋อนั่นเรียกจิตออกนอกนะถ้าความรู้สึกมันกระจายออกนอกไป ถ้ากระจายแบบนี้ไม่ดีนะพยายามรู้สึกกลับมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆมันจะกลับบ้านจิตอยาเข้ามาข้างในนี่จิออกนอกจิตต้องตั้งมั่นนะว่าในห้องนี้ถ้าจะมีฟังรู้เรื่องทะคนสองคนก็คนนี้แหละขอบคุณครับขอบพระคุณหลวพ่อนะครับหน้าหมดและละ <laughs> เดี๋ยวหลาพ่อไปละ กล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะค ะ, อะข อ, อะเชิญคุณสมารีพรมบรีค่ะผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกนะคะถวายสิ้ถ ว, ถวายถวายของ <laughs> ถวายหลวงพ่อค่ ะ, ะรับพอดส่วนหน่อยนะได้ดูเหมือนฟังเทศ ยถาวาริวหฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมีวายโตตินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปติตังทุ่มหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปัณรโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตูสภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขาโยโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจ ต, ตารธรรมาวทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังกอนไปฝากนิดหนึ่งนะพวกเราหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะทำดูสักเดือนสองเดือนชีวิตจะเปลี่ยนนะจะมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า ไม่ใช่ทำสิบปีก็ยังเหมือนเก่านะเราจะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างอาศัศจรรย์เลยเหมือนพลิกฟ้าคว่มดินจริงๆนะอศัศจรรย์จริงๆนะีความทุกข์อะไรเนี่ยมันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาได้เลยนะแลวจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะไรขึ้นง่ายขึ้นเยอะอย่างแต่เดิมคนไหนพูดอะไรบางทีเราไม่พอใจนะโกรธอะไรเงี้ยเราหัดภาวนาเราเข้าใจอะ่ะ เขาก็ถูกกิเลสครอบงาเราก็ถูกกิเลสครอบงำน่าสงสารด้วยกันบรรยากาศรอบๆตัวเราก็จะดีขึ้นในครอบครัวจะดีขึ้นในครอบครัวจะร่มเย็นขึ้นถ้าเราหัดภาวนาให้ถูกถ้าภาวนาผิดก็เครียดนะต้องภาวนาให้ถูกมีสติจริงๆในที่ทํางานคนรอบตัวเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมีความสงบสุขเกิดขึ้นคนที่ไปเรียนแก่หลวงพ่อที่วัดเนี่ยจำนวนมากเลยที่ไปทั้งครอบครัว ทีแรกเขาไปคนเดียวอนะไรเรียนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคนใกล้ๆเขาก็เห็นว่าคนนี้แต่เดิมร้ายมากนางมารร้ายนะเรียนนี้ดีขึ้นเยอะอนะไรเนี่ยในสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นถูกหลวงพ่อประโมทเปลี่ยนใจจริงๆหลวงพ่อประโมทมีมนเปลี่ยนใจที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีมนเปลี่ยนใจใจชั่วๆนี่เปลี่ยนให้ดีได้นะใจที่โลภโกรธหลงนะีใจที่ทุกข์นี่หายไปได้ ดัง้ด้วยการที่เราหัดเจริญสติที่ถูกต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นคนดูเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานถ้าเรามีสองตัวนี้มีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างโกรธขึ้นมารู้โลบขึ้นมารู้โกรธหายไปรู้โลบหายไปรู้อะไรอย่างเนี้นะสุขทุกข์เกิดขึ้นรู้สุขทุกข์หายไปรู้เที่มันมีสติมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะ ไม่หลงตามไปไม่ตเตลิดเปิดเปิงดูเหมือนดูคนอื่นใจิตมันโกรธเราเห็นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเราเป็นคนดูนะร่างกายมันหายใจเราก็เห็นเหมือนคนอื่นหายใจเราเป็นคนดูนะถ้าฝึกให้ได้อย่างนี้นะในเวลาไม่นานหรอกกล้าบอกเลยว่าไม่นานนะในเวลาเดือนสองเดือน3ามเดือนนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าบอกเจ็เดือนเป็นพระอรหันต์ยังมีเลยนะท่านบอกว่าเจ็ดเดือนเอาเว้นไว้บางคนหเดือนบางคนเดือนเดียวนะบางคนเจ็ดวัน บางคนวันเดียวบางคนในขณะนั้นือแต่ละคนไม่เท่ากันนี่เราอดทนมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปนะมีใจเป็นคนดูไม่เข้าไปแทรกแซงดูกายดูใจโดยไม่เข้าไปแทรกแซงดูเหมือนดูคนอื่นด้วยไปนะถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานใช้คำว่าไม่นานนะเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะเราจะเปลี่ยนนะไปละไปละอดแถมไม่ได้